คนเราเกิดมาทำไมจึงมีความแตกต่างกันทำไมไม่เหมือนกันทุกคนบางคนฉลาดบางคนไม่ฉลาดบางคนรวยบางคนไม่รวยบางคนสวยบางคนไม่สวยบางคนเก่งบางคนไม่เก่ง บางคนมีอายุยืนยาวนานบางคนอายุสั้นบางคนมีอาการครบสามสิบสองบางคนมีอาการไม่ครบสามสิบสองบางคนมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บ เบียดเบียนอยู่เรื่อยๆเรื่องเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผลของบุญกรรมที่เราทำกันมาในอดีตส่งผลให้เรามาเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันเราหรือจิตใจของพวกเรานี้เปรียบเหมือนที่ดิน ที่ดินนี้แต่ละคนที่มีที่ดินกันก็เอาไปทำประโยชน์ไม่เหมือนกันบางคนไปปลูกข้าวก็จะได้ข้าวต้นข้าวเมล็ดข้าวบางคนไปปลูกผลไม้ก็ได้สวนผล ไ, ม, ไม้ได้สวนส้มได้สวนองุ่นได้สวนทุเรียนบางคนก็เอาไป ปลูกสิ่งปลูกสร้างสร้างโรงแรมสร้างศูนย์การค้าสร้างอะไรต่างๆก็สร้างบนที่ดินนี้แหละพวกเราทุกคนนี่ก็มีที่ดินคือจิตใจจิตใจของพวกเราเนี่เป็นเหมือนที่ดินอยู่ที่ว่าเราจะปลูกอะไรบนในบนที่ดินนี่ เราปลูกอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมก็คือการกระทำต่างๆที่เราทำกันทั้งในปัจจุบันและในอดีตมันก็เป็นตัวที่ส่งผลให้เรามา เป็นอะไรต่างๆกันเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นคนที่มีคนรักเป็นคนที่มีคนเกลียดทำไมเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมจึงมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันเพราะการกระทำของเรานี้ไม่เหมือนกันนั่นเอง พระพุทธเจ้าทราางตรัสว่าถ้าอยากจะให้เราได้ผลดีเราก็ต้องทําความดีกันความดีที่พุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราทําเรียกว่าบุญบา ร, รมีมีสิบประการด้วยกันสิบข้อทําได้มากเท่าไหร่ก็จะได้คุณสมบัติที่ดีมากขึ้นไปเท่านั้น ข้อที่หนึ่งเรียกว่าเมตตาบารมีความปราถิญญาดีต่อผู้อื่นการมีไมตรีจิตต่อผู้อื่นเรียกว่าเมตตาบารมีข้อที่สองเรียกว่าทานบารมีการแบ่งปันการเสียสละการบริจาคข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่น เพื่อความสุขของผู้อื่นเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเรียกว่าทานบารมีศีลบารมีข้อที่สามคือการไม่เบียดเบียนกันการไม่ทำร้ายกันไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าศีลบารมีในกรรมบารมี คือการยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นพวกที่ชอบไปหาความสงบไปอยู่แบบนักบวชผู้ที่ถือในคำสร้างในคมะประมีมาเวลามาเกิดมักจะเป็นพวกนักบวชพวกที่ไม่ชอบมีความวุ่นวายกับการมีครอบครัว กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าเน่กัมมะบารมีอุเบกขาบารมีก็คือพวกที่มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาบยศสันลเสริญไม่ต้องมีอะไรต่างๆมาให้ความสุขเพราะการมีอุเบกขานี้ จะทำให้จิตใจมีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องออกไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนีออ้ปัญญาบา ร, รมีคือความฉลาดออความรู้เหตุรู้ผล อ, อรู้ว่าอะไรเป็นเหตุรู้ว่าอะไรเป็นผลรู้ว่าทําอะไรแล้วจะได้อะไร ทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อเนี่ยรู้ว่าสิ่งอะไรดีหรือไม่ดีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นนเป็นตัวตนหรือไม่เป็นตัวตนนี่เรียกว่าปัญญาบารมีอธิฐานบารมีก็เป็นผู้ที่มีความตั้งใจทำอะไรมักจะทำด้วยความตั้งใจ ไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ถ้าทำด้วยอารมณ์มักจะทำไม่สำเร็จเพราะอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีอารมณ์อยากจะทำก็ทำพอมีอารมณ์ไม่อยากจะทำก็ไม่ทำเรียนหนังสือก็จะเรียนไม่จบทำอะไรก็จะทำไม่สำเร็จถ้าไม่มีความตั้งใจอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจ คนเราจะทําอะไรได้ต้องมีความตั้งใจก่อนเป็นการตั้งทิศทางตั้งเป้าหมายว่าจะจบปริญญาตรีจะลดจบปริญญาโทพอมีความตั้งใจก็จะได้รู้ว่านี่คือเป้าหมายที่จะต้องไปก็จะพยายามเดินไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องมีความแน่วแน่แนมั่นคงต่อการตั้งคือต้องมีสัจจะความจริงใจไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอตั้งใจแล้วว่าจะเรียนให้จบปริญญาตีหรือโทรหรือเอกก็ต้องไม่เปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นเปลี่ยนใจ เหมือนบางคนตั้งใจเวลาบวชก็ตั้งใจจะบวชแต่ไม่แต่พอมาบวชแล้วก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไม่บวช ด, ดีกว่าพอไม่บวช ด, ดีกว่าก็ศึกกันไปอย่างนี้ก็จะไม่ประสบความสําเร็จของการเป็นนักบวชอยากจะเป็นนักบวชก็ต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ตั้งใจจะบวชแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจ พอบวชแล้วก็ต้องมีความพยายามที่จะอยู่ให้ได้จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ของนักบวชให้ได้เรียกว่าวิริยะบารมีความแน่วแน่มัน่นคงของจิตใจเรียกว่าสัจจะบารมีแล้วก็สุดท้ายก็ขันติบารมีต้องมีความอดทนไม่ว่า เวลาจะทำอะไรมักจะต้องมีอุปสรรคมีความยากลาบากถ้าไม่มีความอดทนก็จะท้อจะยกทงขาวนี่คือบารมีต่างๆที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทำไมพวกเราจึงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าก็เพราะพวกเราไม่ได้สร้างบารมีมาเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่นเอง ถ้าเราอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออยากจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานี่คือการพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงสุดก็คือการได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือได้เป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปรารถนา การพัฒนาของจิตใจในระดับสูงสุดนี่ก็จาเป็นที่จะต้องสร้างบา ร, รมีต่างๆปลูกฝังบา ร, รมีต่างๆขึ้นมาแล้วต่อไปบา ร, รมีนี้ก็จะออกดอกออกผลส่งให้จิตใจได้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงสุดได้จิตใจของพวกเรานี้มีขั้นของพัฒนาหลายระดับด้วยกัน ระดับที่เราเป็นอยู่นี้เป็นระดับกลางๆเรียกว่าระดับของมนุษย์มีระดับที่ต่ำกว่ามนุษย์อยู่4ระดับเรียกว่าเดะชะฉานเรดอสุรตายนรกนี่คือสภาพจิตใจที่เลวลงไปตามลาดับของการกระทำที่ไม่ดีต่างๆที่เรียกว่าทำบาป ทำบาปจะทำให้จิตใจเสื่อมลงจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจากเดรัจฉานลงไปเป็นเปรตเป็นอสุสรกายลงไปเป็นนรกไม่ได้เป็นสถานที่เป็นสถานภาพเป็นยศเป็นตำแหน่งของจิตใจเหมือนกับเราเป็นทหารเขาก็มีตั้งยศให้เราให้เป็นในสิบในร้อยในพัน อันนี้เป็นยศแต่คนคนเดียวกันสถานภาพต่างๆนี้ก็เป็นสถานภาพของจิตใจดวงเดียวกันอยู่ที่ความดีความชอบหรือความไม่ดีความไม่ชอบที่ทำก็จะได้รับผลที่เกิดจากการกระทำนั้นๆโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใดมาคอยติดดาวติดยศให้ห มันเป็นไปโดยอัตโนมัติทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาให้รางวัลไม่ต้องมีใครมาคอยลงโทษกฎแห่งกรรมนี้มันจะลงโทษโดยอัตโนมัติถ้าเป็นมนุษย์แล้วไปทำบาปก็จะเลื่อนลงไปสู่การเป็นเดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้หรือไม่คิดว่ามีผลตามมาคิดว่าเป็นการความจำเป็นในการดำรงชีพต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอก็ไปทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ก็จะทำให้จิตตกลงจากมนุษย์ไปสู่เดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากมากนี่ก็จะเป็นเปรตดวงวิญญาณจะเป็นเปรตเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจที่เป็นมนุษย์อยู่ตอนนั้นก็จะกลายเป็นเ ป, นเปรตไปความจริงเป็นตั้งแต่ขณะที่ยังไม่ตายเนีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเริ่มแปรพัน เริ่มแปลพันจากมนุษย์ไปสู่การเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะแปลเป็นอาสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตปะยิบายก็จะเป็นนรก mm hmm. นี่คือระดับที่ต่ำกว่ามนุษย์จะลงไปนั้นลงไปเพราะไม่รักษาศีล ไม่สร้างศีลบารมีถ้าสร้างศีลบารมีคือศีลห้าได้ก็จะปิดประตูอาบายได้ไม่ต้องลงไปเกิดในอาบายนนี่คือระดับของการระดับขั้นต่างๆของจิตใจที่ลงก็ได้ขึ้นก็ได้ตอนนี้เราอยู่ขั้นมนุษย์อยู่ขั้นกลงกลางระหว่างอาบายกับสวรรค์ ถ้านเหนือมนุษย์ขึ้นไปเราก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นต่างๆก็ต้องขึ้นไปด้วยการเมตตาแล้วก็การทำทานสร้างเมตตาบรารมีสร้างทานบรารมีแล้วก็ศีลบรารมีศีลเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ให้ลงต่ำรักษาศีลเพื่อไม่ให้ลงต่ำ แต่รักษาศีลอย่างเดียวก็จะขึ้นสูงไม่ได้ก็จะอยู่แค่เป็นมนุษย์อย่างเดียวถ้าเจริญแต่ศีลบา ร, รมีไม่สนใจกับการทำทานบา ร, รมีหรือการาหรือการเจริญเมตตาบา ร, รมีไม่สนใจเรื่องของคนอื่น ใครจะทุกข์ใครจะเดือดร้อนไม่สนใจมีอะไรก็หวงไม่อยากจะแบ่งให้ใครอยากจะเก็บไว้เป็นของตนไม่บาปการเก็บทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยความสุจริตไม่บาปแต่ไม่ได้บุญไม่ได้เมตตาบารมีคนที่มีสมบัติแล้วไม่เก็บเอาไว้กินคนเดียวหรือว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็กินไม่หมด ก็เอามาแบ่งคนอื่นเรียกว่าเป็นการสร้างทานบา ร, รมีสร้างเมตตาบา ร, รมีถ้าให้ด้วยความปรารถนาดีอยากจะมีมิตรมีเพื่อนก็เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงอะไรมีอะไรก็ให้ของคนนั้นคนนี้ช่วยคนนั้นได้ก็ช่วยทำอะไรได้ก็ทำอันนี้เป็นเมตตาบา ร, รมีปลูก สัมพันธ์ทำไม่ีที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการเลือสัตว์เดรัจฉานคนบางคนนี่เป็น ม, มีสัตว์นี่เยอะแยะสัตว์รักคนเพราะคนนี้เลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงหมาเป็นสิบสิบตัวเลี้ยงแมวเป็นสิบสิบตัวนี่เรียกว่าเมตตาบารมีทานบารมีจะเป็นที่รักผู้ที่สร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีนี่ จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีความสุขไม่ว่าตื่นหรือหลับออนอนหลับจะไม่ฝันร้ายออจะไม่ตายด้วยยาพิษหรืออาวุธต่างๆเพราะไม่ได้ทำให้ใครเกียดชังไม่ได้ทำให้ใครอาฆาตพยาบาทแล้วก็มีหน้าตาแจ่มใสออผิวพรรณ งดงามผิวพรรณผ่องใสงดงามถ้านั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายถ้าตายไปก็จะไปสู่สุขติสู่สวรรค์ชั้นต่างๆหรือถ้ามีบา ร, รมีอย่างอื่นเสริมก็ไปถึงพระนิพพานได้ น, น, นี่ที่คือจุดเริ่มต้นของการจะพัฒนา จากจิตของมนุษย์ไปสู่จิตของเทวดาพวกเทวดานี้เขามีเมตตามีทานบา ร, รมีมีศีลบา ร, รมีถึงจะไปเป็นเทวดาได้แล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าเทวดาก็ต้องเจริญเนคข ม, มะบา ร, รมีกับอุเบกขาบา ร, รมี ผู้ที่อยากจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมจําเป็นที่จะต้องถือศีลแปดขึ้นไปอยู่แบบนักบวชไม่หาความสุขจากรูปเสียงเกลีนรถต่างๆไม่หาความสุขจากมหัศลสมบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากคนนั้นคนนี้เช่นมักจะไม่แต่งงานมักจะไม่มีแฟนะ มักจะเป็นคนอยู่ตามลําพังชอบความสงบเพราะความสงบนี้ให้ความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะถือนี่ยขมจะสร้างเนี่ยขมะบารมีเนี่ยขมะแปลว่าการออกจากการเสพกามคุณห้ากามคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะที่ ผู้ที่ไม่ได้ถือเนคข ม, มะนี่จะเสพกามเป็นนิสัยพวกที่ชอบหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้เป็นพวกที่ไม่มีเนคข ม, มะบารมีพวกที่มาอยู่วัดมาถือศีลแปดมาบวชเป็นพระเป็นเนนนี้เป็นพวกที่กำลังจเจริญเนคข ม, มะบารมีกันออกจากการเสพกามไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะ มาเสบอุเบขาคือความสงบโดยการฝึกสติจเจริญสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิไปไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานระดับต่างๆฌานก็มีแปดฌานระดับด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนเลส่วนต่ำเรียกว่ารูปฌปานส่วนที่สูงเรียกว่าอารูปฌปาน ความสงบมีความต่างกันตามระดับของฌานฌานระดับที่หนึ่งก็สงบน้อยกว่าที่สองสงบน้อยก็สุขน้อยสงบมากก็สุขมากถ้าได้ฌานระดับใดก็จะได้ไปเป็นพรมระดับนั้นพรมก็มีแบ่งไว้แปดระดับด้วยกันรูปประพมสี่อารูปประพรมสี่รายฝึกสมาธิได้รูปประฌานจิตก็จะเป็นรูปประพรม ขั้นที่หนึ่งถ้าได้ขั้นที่สองก็จะได้เป็นรูปประพมขั้นที่สองได้ความสุขมากกว่าขั้นที่หนึ่งการจะเข้าสู่ฌานระดับต่างๆได้ก็ต้องอาศัยการเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยสติจดจอ่อไม่ให้ใจไปขี้อื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นให้เพ่งกับคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปะ ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจิตมีสติอยู่กับพุโทโธต่อไปจิตก็จะเข้าสู่ฌานได้เข้าสู่ฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองหรือถ้าจะใช้อย่างอื่นแทนพุโทโธก็ได้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเป็นอารมณ์ที่เราใช้เพ่งเพื่อให้จิตเข้าฌาน ถ้าเราไม่ใช้พุโทโธเราจะใช้ลมหายใจก็ได้เรียกว่าอาณาปณะสติมีสติเพ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกอาณาปณะแปลว่าลมเข้าลมออกเพ่งอยู่กับลมเข้าลมออกโดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ฌานระดับต่างๆได้นี่คือเรื่องของบารมี ขัานระดับของเนคข ม, มะกับกับอุเบกขาถ้ามีถ้ารักษาเนคข ม, มะได้ก็จะเข้าสู่อุเบกขาได้ถ้าไม่มีเนคข ม, มะไม่ถือศีลแปดก็จะไม่มีเวลาที่จะมาฝึกสติมานั่งสมาธิผู้ที่ถือศีลห้านี้ไม่ได้หยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ยังไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ยังมีแฟนได้ร่วมหลับนอนกับแฟนได้แต่ผู้ที่ต้องการที่จะพบกับความสงบ พ, พบกับฌานระดับต่างๆพบกับอุเบกขาบารมีจําเป็นที่จะต้องอถือเนสร้างเนกขมมะบารมีก่อนคือต้องถือศีลแปดพอถือศีลแปกก็จะไปไหนไม่ได้นอกจากไปวัดะ เพราะว่าค่อนซื้อสินแปดนุ่งขาวห่มขาวมักจะไปไม่ไปตามศูนย์ค้านค้าไม่ไปตามโรงมหรศลพไม่ไปตามโรงภาพยนตร์ไม่ไปตามงานต่า ง, างๆเพราะนั้นไม่ใช่เป็นที่ไปของผู้ที่ถือศินแปดนั่นเองผู้ที่ถือศินแปดมักจะไปวัดไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาบ้างาวัดที่สงบ ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองอันนี้พอได้อยู่ที่ที่สงบก็จะทำให้การเจริญสติง่ายการนั่งสมาธิง่ายการเข้าฌานง่ายไม่ช้าก็เร็วก็จะได้อุเบกขาบารมีคือฌานระดับขั้นที่สี่เรียกว่าอุเบกขาเมื่อได้อุเบกขาแล้วใจก็จะมีความสุขในตัวเอง ไม่จำเป็นต้องไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญแต่จะสงบจะสุขก็เฉพาะตอนที่เข้าสู่ฌานขั้นนี้เวลาออกมาจากฌานความสุขนีก้ก็ค่อยจะจางหายไปเหมือนกับน้ำเย็นที่เอาน้ำไปแช่ไว้ในตู้เย็น เวลาเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวความเย็นของน้ําก็จะหมดไปใจที่เข้าฌานก็จะมีความเย็นความสงบมีความสุขพอออกจากสมาธิใหม่ๆก็ยังเย็นยังสงบอยู่ทําไมต้องออกมาก็เพราะว่าหนึ่งเราต้องมาดูแลร่างกายต่อต้องมาทําภารกิจอย่างอื่น จะอยู่ในฌานไปตลอดไม่ได้เดี๋ยวต้องมีน้ำให้ร่างกายดื่มเดี๋ยวต้องมีอาหารให้ร่างกายรับประทานเดี๋ยวต้องออกกอกําลังกายเคลื่อนไหวอะไรต่างๆไม่ฉะนั้นร่างกายก็อาจจะพิกลพิการตายไปได้จึงอยู่ฌานตลอดเวลาไม่ได้เลยต้องออกมาจากฌานพอออกมาจากฌาน ความเย็นความสบายก็จะค่อยจางหายไปถ้าไม่อยากให้หายก็ต้องใช้สติหรือปัญญาถ้าใช้สติก็จะรักษาฌานไว้ได้เป็นพักๆเป็นช่วงที่มีสติฌานก็ยังจะมีอยู่พอช่วงไหนไม่มีสติไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าฌานก็จะหายไปได้ถ้าอยากจะ รักษาชาญหรืออุเบกขาด้วยความเย็นความสุขของใจเวลาออกจากสมาธิแล้วให้อยู่ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมาปัญญาจะคอยกำจัดสิ่งที่มาทำให้อุเบกขาหายไปจากใจสิ่งที่จะมาทำให้อุเบกขาหรือความเย็นความสบายใจหายไปก็คือความอยากต่างๆนี่เอง ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณความอยากมีอยากเป็ น, อ ย, น, น, นอยากได้นั่นอยากได้นีน่อยากมีนั่นอยากมีนี่ถ้าปล่อยให้ไปทำตามความอยากความเย็นความสบายก็หายไปได้ความสุขแบบอยากมาได้ความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสแต่เป็นความสุขเดียวเดียวเดียวมันก็จางหายไป แล้วก็ทำให้ต้องมีความอยากเสพขึ้นมาใหม่ใจก็จะร้อนเวลาเกิดความอยากขึ้นมาถ้าใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วกราวสู้ความสุขที่ได้จากอุเบกขาไม่ได้ถ้าเวลามีความอยากก็ใช้ปัญญา นิจนาถึงความทุกข์ที่จะตามมาได้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้ต่อไปจะทำให้เราทุกข์เราก็ไม่เอามันดีกว่าก็หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความร้อนก็หายไปความเย็นก็กลับเข้ามาใหม่นี้คือขั้นปัญญาขั้นสูงสุดการที่จะทำให้จิตนี้มีความสงบเย็นไปตลอด พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความร้อนใจให้กับใจอีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจให้กลับมาหาความสุขทางโลกทางตาหูจมูกเล่นกายอีกต่อไปก็จะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปอ น, นี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวก ที่ได้รับการาพัฒนาด้วยบารมีต่างๆและนับตั้งแต่เมตตาบารมีขึ้นมาเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีการที่จะมาสร้างบารมีเหล่านี้ได้ก็จาเป็นที่จะต้องมี อธิษฐานบารมีเป็นตัวกำหนดอธิษฐานบารมีนี้เป็นตัวตั้งเป้าหมายของการกระทําต่างๆของจิตใจนั่นเองถ้าจิตใจไม่ได้ตั้งเป้าหมายเช่นว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าชาตินี้จะสร้างเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีในขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมี ต้าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งเป้าจะสร้างบา ร, รมีเหล่านี้ก็จะไม่ได้ทำนั่นเองก็จะไปทำอย่างอื่นทำตามอารมณ์เรียกว่าทำตามอารมณ์คนที่ไม่มีอธิษฐานนี่แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่ได้ตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าจะให้ไปในทิศทางไหนก็จะไปตามอารมณ์ ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนเรือเรือใบที่ไม่มีหางเสือเรือใบที่ไม่มีหางเสือมันมักจะไหลไปตามกระแสน้ํากระแสลมลมพัดไปทางไหนเรือก็จะไปทางนั้นน้ําไหลไปทางไหนก็จะไหลไปทางนั้นแต่เรือที่มีหางเสือนี้เขาสามารถคัดเรือให้ไปอีกทิศ ท, ทางที่ต้องการไปได้เหมือนรถยนต์ถ้าไม่มีพวงมาลัยนี้ก็ ควบคุมรถยนต์ให้วิ่งไปในบนถนนไม่ได้รถมันก็จะวิ่งไปตามแล้วแต่อะไรจะดึงมันไปมันก็จะไปทางนั้นมันก็จะออกนอกทางนอกลู่นอกทางแต่ถ้ามีพวงมาลัยพอรถจะออกนอกลู่นอกทางก็ดึงมันออกมาได้หันมันกลับมาได้ เรือที่จะไปในทิศ ท, ทางที่ไม่ต้องการไปถ้ามีหางเสือก็คัดมันให้ไปในทิศ ท, ทางที่เราต้องการไปได้ถ้าเราต้องไปในทิศ ท, ทางของการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆเราก็ต้องมีอธิษฐานมีความตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะสร้างบา ร, รมีต่างๆเราจะไม่ทําอย่างอื่นเพราะเราเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าถ้าสร้างบา ร, รมีต่างๆแบบนี้แล้วเราจะได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าต่อไปและระหว่างทางที่เรายังไม่ถึงเราก็จะได้พบกับสิ่งดีๆต่างๆจะได้มีความร่ำรวยจะได้เป็นมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสก่อนมากี่ชาติก็จะไม่ยากจนมีเพื่อนเยอะ มีอาการ32ครบท่วนบริบูรณ์มีโรคไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนานมีความฉลาดนี่เป็นผลที่เราจะได้รับการในการสร้างบา ร, รมีเหล่านี้จนกว่าเราจะไปถึงขั้นสูงสุดถ้าไม่เสร็จชาตินี้เราก็ทำต่อชาติหน้าได้ถ้าเรามีอธิษฐานบา ร, รมีคอยควบคุมใจเรา ทุกชาติเกิดมาก็ต้องใช้อธิษฐานนี้คอยคัดให้ใจของเรานี้ปลูกฝังแต่บา ร, รมีต่างๆเะฉนั้นเราต้องมีอธิษฐานกันเราต้องมีความตั้งใจกันถ้าไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็อาจจะปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆเหมือนลมเหมือนกระแสน้ําดึงไปพัดไปเช่นถ้าไม่ตั้งบา ร, รมีไว้ก็แล้วแต่เพื่อนฝูง เพื่อนฝูงจะมาชวนไปทำอะไรก็ไปชวนให้ไปเที่ยวก็ไปชวนให้ไปทำบุญก็ไปแล้วแต่ว่ามีเพื่อนฝูงแบบไหนถ้ามีเพื่อนฝูงที่ชอบไปวัดก็จะชวนไปวัดก็ไปวัดมีเพื่อนฝูงชอบไปเที่ยวก็จะชวนไปเที่ยวคนที่ไม่มีอธิษฐานก็จะเป็นอย่างนี้เป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายของชีวิต ถ้าเป็นคนที่มีเป้าหมายของชีวิตก็จะพุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ใครจะมาชวนให้ไปที่อื่นก็ไม่ไปเช่นตั้งใจจะเรียนหนังสือมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปะแต่ถ้าเพื่อนชวนไปเรียนพิเศษนี้ไปเอแต่ถ้ามาชวนให้ไปเที่ยวไปเล่นไม่ไปเพราะว่ามันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่เป็นเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้มันไม่ได้เป็นไปตามความตั้งใจ เราตั้งใจจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นถ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจเราก็จะไม่ทำนี่คือความสำคัญของอธิษฐานบารมีพระพุทธเจ้าเนี่จะสำเร็จขั้นสุดท้ายได้ก็อยู่ที่อธิษฐานนี้ถึงแม้จะมีอธิษฐานอย่างอื่นแล้วแต่พอถึงขั้นสุดท้ายก็ยังต้องใช้อธิษฐานว่าจะนั่งตรงเนี้ยใต้ต้นโพนี้จนกว่าจะตัดสรุ ถ้าไม่ตัดสัุก็จะไม่ลุกจากที่นี่ไปยอมตายร่างกายจะเหือดแห้งเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งก็ยอมให้มันเหือดแห้งไปถ้ายังไม่ตัดสั้นยังจะไม่ลุกจากที่นี่ไปอันนี้เรียกว่าอธิษฐานแล้วนอกจากมีอธิษฐานแล้วยังต้องมีสัจจะคือต้องแน่วแน่ต่อการตั้งใจไม่ใช่โลเลกับการตั้งใจล้วจิตใจโลเล เวลาตั้งใจก็ทำท่าแข็งขันพอนั่งไปสักปุ๊บอยากจะลุกก็เปลี่ยนใจไม่เอาล่ะอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะก็ไม่ลุกจนกว่าจะสำเร็จผลถึงจะลุกนี่คืออธิษฐานสัอธิษฐานบารมีควบคู่กับสัจจะบารมีสองคำนี้เรามักจะใช้ควบคู่กันเราเรียกว่าตั้งสัจจะอธิษฐาน สัจจะก็คือว่าเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จด้วยความแน่วแน่อธิษฐานแล้วว่าความตั้งใจจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสัจจะก็คือไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจถ้าเรามีสัจจะเราไม่เปลี่ยนใจตกลงอะไรกับใครไว้แล้วเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนก็ถือว่าไม่มีสัจจะทำอะไรกันนักธุรกิจบางทีเขาไม่ ต้องเซ็นสัญญากันเขาเชื่อใจกันเชื่อสัจจะของกันละกันจับมือกันก็พออย่างนี้เรียกว่าเป็นการมีสัจจะไม่ไม่ปิ้นป้อนไม่หลอกลวงต้องมีสัจจะอธิษฐานแล้วก็ต้องมีวิริยะบาลเมพอตั้งใจจะทำแล้วไม่เปลี่ยนใจแล้วถ้าขี้เกียจก็ยังไม่ทำหรือทำน้อย ทำเล็กๆน้อยๆทำพอหามปากห้ามคออย่างนี้ยังไม่พอต้องทําให้เต็มที่ต้องความต้องพยายามให้เต็มที่ต้องทําให้เต็มร้อยมีงานอะไรที่จะต้องทําก็ต้องทําให้สุดๆถ้าปฏิบัติทำได้ก็เรียกว่าต้องสุปฏิปันโนทําให้มันเต็มที่เต็มร้อยถึงเรียกว่ามีวิริยะบารมี ถ้าไม่มีความภาคเพียนไม่มีความขยันก็จะไปไม่ได้งานจะไม่สําเร็จเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าทําไปแล้วท้อแท้เบื่อหน่ายแต่ไม่เลิกแต่ไม่ไม่ทําแบบสุดกําลังนี่มันก็จะไม่สําเร็จนนอกจากมีสัจจะมีอธิษฐานแล้วก็ต้องมีวิริยะบาลมี ต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรต้องหัดปนิสัยขยันหมั่นเพียรอย่าเกียจคร้านอย่าอยู่เฉยเฉยมีอะไรที่ต้องทำทาเสียอย่าปล่อยงานที่เราต้องทำไว้มีงานที่จำเป็นต้องทำก็รีบทำให้มันเสร็จเสร็จไปถึงจะเรียกว่ามีวิริยะบารมีแล้วถ้าไปเจออุปสรรคในหน้าที่การงาน เจอความทุกข์ยากลำบากในการทำงานก็ไม่ถอยใช้ขันติความอดทนสู้ต่อไปอันนี้ถึงจะสามารถทำอะไรต่างๆให้สำเร็จได้สามารถสร้างเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีนบา ร, รมีเนคข ม, มะบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีให พบท่วนได้ก็ต้องมีอธิษฐานบามีมีสัจจะบามีมีวิริยะบามีมีขันติบามีรวมกันก็เลยเป็นสิบบามีด้วยกันบามีที่ต้องสร้างมีหกบามีที่ต้องเสริมมีสี่บามีที่เสริมก็คือบามีที่จะเสริมบามีที่เราต้องสร้าง ถ้าเรามีบา ร, รมีทั้งสิบนี้แล้วเราก็จะสามารถทําอะไรให้สำเร็จรื่งไปได้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็เหมือนกันอยากจะเป็นอะไรอยากจะจบปิญญาระดับไหนก็ขอให้มีอธิษฐานบา ร, รมีมีสัจจะบา ร, รมีมีวิริยะบีบารมีมีขันติบา ร, รมีไม่ช้าก็เร็วก็จะสำเร็จได้ ไม่ใช่มาขอพระเวลาอยากจะจบเวลาจะสอบเข้ามาหาลัยสอบเลื่อนขั้นเลื่อมตำแหน่งนี่มาขอพระกันขอไม่ได้ล่ะพระก็จะให้ธรรมะไปเท่านั้นนะเพราะว่าเอานี่สี่เอาธรรมะสี่ข้อนี้ไปอธิฐานบารมีไปเอาสัจจะบารมีไปเอาวิริยะบารมีไปเอาขันติบารมีไป เราทดลองได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการนี้ถ้ามันไม่เป็นเรื่องสุดวิสัยจะต้องได้ถ้าเป็นเรื่องสุดวิสัยก็ต้องยกเว้นเพราะมีบางสิ่งบางอย่างมันเหนือวิสัยที่จะทำได้เช่นไปสมัครแล้วคนสมัครเยอะแล้วคนที่สอบได้คะแนนมากกว่าเราเขาติดแต่เราต่ำกว่าเขาเราไม่ติด อย่างนี้ก็เรียกว่าสุดวิสัยเขาเอาแค่ร้อยคนแต่สมัครสองพันคนคนที่ต่ำกว่าร้อยคนคะแนนต่ำกว่าร้อยคนแรกก็ไม่สามารถเข้าได้ไม่ใช่ว่าไม่มีความพยายามไม่มีความตั้งใจเพียงแต่ว่าผลสอบดีสู้เขาไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัย ถ้ามีแค่ร้อยคนรับร้อยคนสมัครร้อยคนก็นับรองได้ว่าจะได้กันทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมถ้าเราอยากจะพบกับความสำเร็จในชีวิตขอให้เรามาสร้างอธิษฐานสัจจะวิริยะขันติกันถ้าเรามีมีบารามีสี่ข้อนี้แล้ว สามารถที่จะทําอะไรที่เราต้องการให้สําเร็จได้ถ้ามันไม่เป็นเหตุเกินวิสัยของเราเหอเหตุเกินวิสัยก็เช่นเร า, เ, าเป็นคนพิการแต่อยากจะไปชิงว่ายน้ําอย่างนี้มันว่ายไม่ได้ถ้าเป็นคนพิการถึงแม้จะมีความตั้งใจมีสัจจะมีความพยายามมีขันติแต่มันว่ายไม่ได้มันทําไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในวิสัย อันนี้ก็อย่าไปตั้งอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราต้องตั้งในสิ่งที่เป็นวิสัยของเราเช่นเราเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงนี้อยากจะไปเปลี่ยนเพศเปลี่ยนอะไรนี่มันก็มันก็ทําไม่ได้มันผิดธรรมชาติเป็นหญิงอยากจะทาให้เป็นแปงให้เป็นชายมันเป็นไม่ได้ให้มันเป็นชายร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไม่ได้เป็นก็เป็นชาย ชายเทียมหญิงเทียมไม่ได้เป็นแบบร้อยเปอร์เซนต์นั้นอย่าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เรามาอยากในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วเราจะได้ไม่ผิดหวงังเราจะได้ไม่เสียใจสิ่งที่พวกเราทุกคนเป็นไปได้ก็คือพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะมีความสามารถที่จะพัฒนามากน้อยเพียงไร แต่ทุกคนนี้ก็สามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆตอนนี้มีกำลังที่จะทำได้เท่านี้แต่วันพุกนี้หรือปีหน้าอาจจะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นก็ได้เพราะการสร้างบา ร, รมีก็เป็นเหมือนเป็นขั้นบันไดเหมือนกัน พอเราทำขั้นนี้ได้เราก็ขยับขึ้นสู่ขั้นต่อไปได้ครับจากมนุษย์เราก็ขึ้นไปเป็นเทวดาก่อนจากเทวดาเราก็ขึ้นไปเป็นพรหมก่อนจากพรหมเราก็ขึ้นไปการสู่การเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ ข่านเหล่านี้ท่านไม่ได้ทำแบบกระโดดจากมนุษย์ก็ไปเป็นพระอรหันต์เลยไม่ใช่ทุกคนต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้ทั้งนั้นต้องผ่านขั้นของเทวดาขั้นของพรหมขั้นของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดเป็นขั้นๆไปเพราะการกาลังที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นสูงสุดนี้มันต้องใช้เวลาสร้างกันขึ้นมา แต่บางคนฉลาดเก่งเร็วกส็สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วเช่นในพระไตรปิฎกก็มีแสดงไว้ว่าบางคนพอบรรลุโสดาบันขั้นที่หนึ่งปั๊บก็ได้ขั้นที่สองขั้นที่สา ม, ข, สามขั้นที่สี่ตามมาอย่างรวดเร็วเช่นพระ ท, ที่กำลังปองผมอยู่ ลงคันโกงมีดโกลไปครั้งแรกก็เป็นขั้นที่หนึ่งพอมีดโกลลงขั้นที่สองก็เป็นขั้นที่สองขั้นที่สามพอลงขั้งที่สามก็เป็นขั้นที่สามอันนี้เป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะบุคคลแต่ละคนมีความรู้ความสามารถที่มากน้อยไม่เท่ากันแต่เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องช้าหรือเร็วแต่เรื่องที่แน่นอนก็คือได้กันทุกคน ถ้าสร้างบา ร, รมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างแล้วรับรงได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติอย่างแน่นอนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงแสดงไว้ว่าถ้าไม่ได้ภายในเจ็ดวันก็ได้ในเจ็ดเดือนถ้าไม่ได้ใ น, น, ในเจ็ดเดือนก็ต้องได้ในเจ็ดปีอันนี้ท่านเพราะท่านรู้ว่า ระดับความสามารถของแต่ละคนหมีมากน้อยไม่เท่ากันบางคนทำได้เร็วกว่าทำคนทำได้ช้ากว่าก็แต่ละประกันว่าช้าหรือเร็วไม่เกินเจ็ดปีถ้าลองได้เอาบารมีทั้งสิบนี้มาพัฒนามาปลูกฝังภายในจิตใจสามารถที่จะสร้าง พัฒนาจิตใจจากขั้นมนุษย์นี้ให้ขึ้นไปสู่ขั้นของพระอาหารหันต์ได้ไม่เกินเจ็ดปีอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนามีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้บอกทางถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีใครมาสอนให้เรารู้จัก บรารมีทั้งสิบข้อนี้ว่ามีอะไรบ้างเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวหน้าลุ่งเรืองไปได้เหมือนคนสมัยโบราณนี้ไม่มีมาหาวิทยาลัย ไ, ไปเรียนกันคนยุคปู่ย่าตายายเรานี้น้อยคนที่จะเรียนจบปริญญากัน เรียนได้อย่างมากก็แค่ขั้นบัณฑิตของผู้ไปบวชกันสามเดือนเขาก็ยกเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้สมัยก่อนนี้คนเรียนจบสามไปบวชสามเดือนเสือกออกมาก็ไปเป็นครูได้เท่าที่ได้ยินเป็นครูสอนนักเรียนปหนึ่งปสองปสามปสี่ได้แต่สมัยนี้ก่อนนั้นไม่มีคนจบปริญญากันถ้าอยากจะจบปริญญา ก, ก็ต้องไปเรียนเมือง น, นอกเมือง น, นากัน สมัยที่ยุคของลูกของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยท่านต้องการปริญญาก็ส่งไปศึกษาที่ต่างประเทศกันถึงจะได้ปริญญากลับมาเพราะเมืองไทยสมัยก่อนไม่มีมหาวิทยาลัยนั่นเองคนไทยเลยไม่มีคนที่จะสาเร็จปริญญากันได้ต้องรอให้มี ม, มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลย อย่างนี้คนทุกคนเด็กทุกคนที่เรียนหนังสือนี้ตั้งเป้าว่าจะจบปริญญากันทางนั้นแล้วก็จบได้เพราะมีมหาวิทยาลัยคอยสอนคอยมอบปริญญาให้ฉันใดการบรรลุถึงขั้นพระนิพพานนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้สอนผู้บอกทางนี้จะไม่มีใครสามารถที่จะไปถึงได้ถึงแม้จะมีความตั้งใจมีความพยายาม แต่ไม่รู้ว่าให้ไปตั้งใจพยายามกับอะไรไม่รู้ว่าจะต้องไปทำอะไรถึงจะทำให้ไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ได้เนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเองนี้ต้องใช้เวลาสร้างนานมากกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านไม่มีมหาวิทยาลายเหรียนไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนเจ้าชายเสียทน่นี่ต้องเพียรพยายามศึกษาค้นคว้าเอง แล้วไม่ใช่แต่เฉพาะชาติสุดท้ายเท่านั้นชาติก่อนๆ น, นั้นท่านก็ต้องเพียรพยายามสร้างบา ร, รมีต่างๆไว้ในแต่ละชาติที่เรามีเราได้ฟังถึงเรื่องของอชาดกนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเนี่ยก็คือบา ร, รมีสิบชนิดที่พระพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์ได้สร้างไว้ในแต่ละชาติเนี่ยต้องใช้หลายภพชาติด้วยกัน แล้วก็สิบภพบชาตินี้ไม่ใช่จะเรียงลำดับอาจจะคัดออกมาจากอีกร้อยหรือหมื่นชาติที่ได้สร้างบารมีเหล่านี้ขึ้นมาเพราะมันไม่ได้เกิดมาแล้วจะมีโอกาสที่จะได้สร้างบารมีแต่ละบารมีบางทีมันต้องมีเหตุการณ์มีอะไรมาบังคับให้สร้างกันถึงจะสร้างกัน ดังนั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้การที่จะพัฒนาจิตใจให้ถึงขั้นสูงสุดได้นี้เป็นไปได้ยากมากเป็นได้ก็เพียงคนเดียวเท่านั้นเองคือพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้พระองค์ไม่มีพระพุทธศาสนานมาคอยสอนมาคอยบอกให้สร้างบา ร, รมีต่างๆพระองค์ก็เลยต้องลองผิดลองถูกแล้วแต่มีอะไรเหตุการณ์มาทําให้ลองทดลองดู พอทําแล้วรู้สึกว่าอดีว่าทําแบบนี้ดีทําให้จิตใจดีขึ้นก็เลยทําพอได้ทําทานรู้สึกว่าดีก็ทําอย่างสุดๆเป็นพระเวชสันดรพอไดอ้สร้างความเพียรพยายามขึ้นมาก็เห็นว่าดีก็เป็นมหาพระมหาชนกเพียรพยายามว่ายน้ําไม่ยอมจมน้ําตายเนี่ย อันนี้คือเรื่องเหตุการณ์ต่างๆของพระชาดกของนิทานชาดกของพระเจ้าสิบชาติคือพบชาติแต่ละพบของการบำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆนั่นเองพอมาถึงชาติสุดท้ายก็เลยพร้อมชาติสุดท้ายก็มาหาปัญญาบา ร, รมีไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้ใครบอกได้ว่าปัญญาบา ร, รมีนี้คืออะไรอะไรที่เรียกว่าเป็นปัญญา จนในที่สุดก็ต้องส่งค้นคว้าหาเองก็ส่งค้นพบพระอริยสัจสค้นพบไตลักเนี่ยก็เลยทำให้ได้ตัดสะลุในที่สุดเพราะได้บารมีครบสิบประการได้มาแล้วเก้าบารมีด้วยกันเห <c oughs> ลือบารมีสุดท้ายคือปัญญาบารมีพอมามีเหตุการณ์บังคับให้ค้นคว้าศึกษาหาดู ว่าทำไมใจียังต้องทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ทำยังต้องทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่พอพิจารณาไปพิจารณามาก็พบว่าเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆนี่การตัณหาความอยากทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นอยากไม่แก่พอคิดถึงความแก่ความอยากไม่แก่ก็จะทำให้ทุกข์ใจขึ้นมาพอเห็นคนเจ็บคนป่วยก็ทาให้ทุกข์ใจขึ้นมา เพราะไม่อยากจะเจ็บไข้หน่ป่วยพอเห็นคนตายก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาก็เพราะความอยากไม่ตายนั่นเองหลังจากที่ต้องทรงคนคว้ากับคนพบว่าออมันอยู่ที่ความอยากนี่นเองแล้วอะไรจะทำให้หยุดความอยากได้ก็คือความจริงนั่นสิ ความจริงคืออะไรความจริงก็คือความแก่ความเจ็บความตายนี่ม <vale ีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแตอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากก็ไม่ก็ไม่ทุกข์ถ้าอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นตายรักนั่งกายเป็นไตรักเป็นอนิจจังไม่เที่ยง มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาอนาตตาก็คือไปห้ามมันไม่ได้ไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้พอเห็นว่าเป็นตายแล้ว ก, ก็ปล่อยวางพอปล่อยวางหยุดความอยากไม่อยากกับร่างกายใจก็ไม่ทุกข์หายทุกข์เวลาร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์เวลาร่างกายตายก็ไม่ทุกข์ นี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าของพระพระโพธิสัตว์ไม่มีใครรู้ต้องต้องศึกษาค้นคว้าหาเอาเองแต่พวกเรานี้โชคดีมีคนค้นคว้าหามาให้เราแล้วแล้วมาตั้งเป็นมหาวิทยาลัยให้เราไปเรียนกันแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาความจริงไม่ใช่อะไรหรอกเป็นมหาวิทยาลายัยพัฒนาจิตใจ เรื่าจิตวิทยาจิตวิทยาที่เราเรียนจากพระพุทธศาสนานี่เรียนเกี่ยวกับเรื่องจิตใจล้วนๆเรียนเกี่ยวกับวิธีที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงจนในที่สุดไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในจิตใจเลยมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจตลอดเวลาที่เรียกว่าบมมาลมสุขนี่เองนิ บ, บานังบาลมังสุ ข, ขัง นิพพานก็คือระดับจิตที่สูงสุดระดับจิตที่ได้ได้จัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตแล้วก็คือพระนิพพานด้วยการกําจัดเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์ก็คือการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานี่เองนี่พอพระพุทธเจ้ารู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็สามารถมาตั้งมหาวิทยาลัย ไ, ได้แนละ้วทีนี้ ชาวพุทธเราก็สามารถที่จะบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์สาวกกันได้เยอะแยะไปหมดเนี่พอเริ่มตั้งมาวิทยาลัยวันแรกก็สองวันแรกสองสามวันแรกก็มีผู้บจบปริญญาห้าห้ารูปแล้วคือพระปัญจวัคคีพอแสดงทำให้กับพระปัญจวัคคีสองสามครั้งเท่านั้นเองพระปัญจวัคคีทั้งห้าก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์สาวกพร้อมกัน หลังจากนั้นพระองค์ก็ให้พระบัญญวัววคีเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ช่วยไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นให้กระจายไปคนละทิศคนละทางท่านก็แยกทางกันไปไปสั่งสอนผู้ผู้อื่นต่อภายในระยะเวลาเจ็ดเดือนก็มีปรากฏขึ้นมาว่ามีพระอรหันตสาวกอย่างน้อยก็ 1,250 รูปมาพบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนย พวกนี้เป็นผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ลาไปเผยแผ่ธรรมแล้วพอถึงเวลาคิดถึงก็เลยมาเยี่ยมพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมีพระอาหารหันต์หนึ่งันสอรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี่เองวันมาฆบูชาก็คือวันเพ่นเดือนสาม ระยะเวลาเจ็ดเดือนหลังจากที่ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนหลังจากที่ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยของพุทธศาสนาขึ้นมาในวันเพ็ญเดือนแปดที่เรียกว่าวันอาสาหาบูชาที่ผ่านมานี่พอถึงเดือนสามก็เจ็ดเดือนพอดีเจ็ดเดือนก็มีคนจบปริญญาของศาสนาพุทธอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปแล้วไม่นับถึงพวกที่ไม่ได้มาเฝ้า นี่ที่มาเฝ้านี้ไม่ได้เป็นพวกที่บรรลุทั้งหมดพวกที่ไม่ได้บรรลุก็มีแต่ไม่ได้มากันก็ยังมีอยู่แต่รู้อย่างแน่ๆว่ามีผู้บรรลุมีผู้จบปิญญาแล้วอย่างน้อยหนึ่งพันงรยรูปได้กันนี่คือความสำคัญของวันมาคะบบูชาเพื่อให้เรารู้ว่าเนี่ยมาหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นในวันอาสาฬหาบูชา แล้วใครมาสมัครเรียนก็สามารถเรียนจบได้ในระยะเวลาอันสั้นไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเนี่ยนี่พวกที่จบเจ็ดวันเจ็ดเดือนเห็นหก็มีหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปขึ้นไปแล้วพวกที่เจ็ดเจ็ดปีก็ต้องเรียนต่อไปอยังเรียนไม่จบเพราะว่าอาจจะอยู่อาจจะขาด ขาดวิชาความรู้ที่ต้องเรียนเสริมยังไม่ได้เรียนเอ้พวกที่มีวิชาที่ต้องเรียนเรียนแล้วก็จะจบเร็วกว่าพวกที่เข้ามาปีหนึ่งก็ต้องใช้เวลาเรียนไปเรื่อยก่อนขึ้นปีสองปีสามปีสี่พวกที่อยู่ปีสีแล้วก็สามารถสอบผ่านรับปริญญาได้เลยนี่คือโชคของพวกเราที่เราได้มาเจอมหาวิทยาลัยของจิตใจ ถ้าพวกเราอยากจะพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดให้สิ้นสุดการเกิดแก่เจ็บตายสิ้นสุดการเวียนว่าตายเกิดสิ้นสุดกับความทุกข์ต่างๆนี้เราสามารถทําได้ในชาตินี้เพราะชาตินี้เรามีพระพุทธศาสนามีมหาวิทยาลัยให้เราเรียน ถ้าเรามาเกิดในชาติต่อไปถ้าไม่มีาศาสนาอยู่เราก็จะไม่มีโอกาสถึงแม้จะอยากขนาดไหนมีความตั้งใจขนาดไหนยากที่เราจะสามารถสอนตัวเราเองได้ให้จบปริญญาของพระพุทธศาสนาได้ก็จะต้องรอมาเกิดอีกช่วงหนึ่งช่วงที่มีาศาสนาพุทธปรากฏขึ้นมาใหม่เพราะาศาสนาพุทธของพวกเรานี้ ก็จะมีวันจบลงภายในห้าพันปีนะนี่ก็ผ่านมาสองพห้าร้อกว่าปีแล้วเดี๋ยวอีกไม่เกินครึ่งหนึ่งก็จะไม่มีาศาสนาพุทธหงเหลืออยู่แล้วคือมหาวิทยาลัยจะปิดเพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์สอนไม่มีนักศึกษามาเรียนเมื่อไม่มีครูสอนไม่มีนักเรียนมาเรียนมหาวิทยาลัยก็ปิดไปอาจจะยังมี ตึกของมหาวิทยาลัยอยู่ยังมีโบสถ์ยังมีอะไรอยู่แต่ไม่มีใครมาศึกษาพระธรรมคำสอนไม่มีใครมาไม่มีใครมาสั่งมาสอนไม่มีครูคอยสอนไม่มีนักศึกษามาเรียนมีแต่โบสถ์มีแต่โบสถ์มีแต่เจดีย์มีแต่วัด แต่ไม่มีนักบวชที่จะมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติไม่มีครูอาจารย์คอยสั่งคอยสอนก็จะเหลือแต่ซากของศาสนาบ า, น า, น า, นางแห่งก็เราก็จะเห็นบางวัดนี่ไม่มีพระเลยไม่มีครูอาจารย์ไม่มีเป็นวัดท่องเที่ยวไปเห็นไหมวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนี่ก็เป็นวัดที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติแต่มี พระพุทธรูปที่สวยงามมีโบสถ์มีเจดีย์ที่สวยงามก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแทนที่จะเป็นแหล่งหาความรู้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปต่อไปศาสนาของเราก็จะเป็นอย่างนี้วัดวารามนี้จะหาคนสอนคนปฏิบัติคนเรียนนเรียนธรรมะนี่น้อยลงไปได้เล ย, เลย แล้วต่อไปก็จะมีวัดเพราะเราเน้นการสร้างวัดมากกว่าการสร้างมหาสร้างอาจารย์สร้างนักศึกษาออก็เลยมีแต่วัดมีแต่อาคารเรียนมีแต่อาคารปฏิบัติแต่ไม่มีสร้างอาจารย์ไม่มีสร้างออนักเรียนกันออก็เลยต่อไปก็จะเหลือแต่ซากของาศาสนา เหลือแต่โบสถ์เหลือแต่เจดีย์เหลือแต่พระพุทธรูปให้กราบไหว้ให้ชมกันให้มาเป็นนักท่องเที่ยวมาชมมาถ่ายรูปกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ไม่รู้ว่าถ่ายอะไรไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครสอนอะไรอันนี้จะเป็นเรื่องของศาสนาเป็นธรรมชาติของศาสนาพุทธที่จะเสื่อมไปเทลเล็กเทีล่น้อยเสื่อมจากแก่นออกไปหาเปลือกนะ แก่นก็คือการศึกษ า, าการบรรลุทำขั้นต่างๆนี่เรียกว่าแก่นของศาสนาถ้าไม่ถ้าไม่มีการบรรลุต่อไปก็จะไม่มีอาจารย์มาสอนเมื่อไม่มีอาจารย์สอนก็จะไม่มีนักศึกษามาเรียนเมื่อไม่มีนักศึกษาเรียนไม่มีอาจารย์สอนก็จะเหลือแต่เปลือกเหลือแต่อาคารเรียนเหลือแต่โบสถ์เหลือแต่เจดีย์ให้กราบไหว้เหลือแต่พระพุทธรูปให้กราบไหว้เท่านั้นเอง แต่ไม่มีผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานไม่มีผู้มาสั่งสอนมรรคผลนิพพานไม่มีผู้มาศึกษาศาสนาก็ถือว่าจบลงถึงแม้ว่ายังมีเปลือกอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเวลาเรากินผลไม้เราไม่กินเปลือกกันเรากินเนื้อกันถ้าแกะผลไม้ออกมามีแต่เปลือกไม่มีเนื้อก็โยนทิ้งไปเพราะไม่เป็นประโยชน์เช่นใดนี่ก็เหมือนกัน ศาสนาต่อไปก็จะต้องเสื่อมไปเนื้อจะค่อยๆหมดไปเนื้อแต่เปลือกตอนนี้เราจะทุ่มเทช่วยกันสร้างเปลือกกันสร้างโบสถ์สร้างเจดีกันให้สวยให้งามกลายเป็นแห่งท่องเที่ยวไป สังเกต ด, ดูว่าเดี๋ยวนี้สร้างวัดสร้างอะไรนี้สร้างให้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันพระพุทธรูปต้องใหญ่โตมาโหรานโบสถ์ต้องใหญ่โตมาโหรานเจดีย์ต้องใหญ่โตมาโหรานเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนมีเขาสูงสูงนี่สร้างพระพุทธรูปองค์มาเริ่มขึ้นไปนะแล้วคนจะได้ไปเที่ยวไปถ่ายรูปกันเท่านั้นเองแต่ไม่ได้รับอะไรจากการไปพบกับพระพุทธรูปเลย นี่คือการความเสื่อมของศาสนาแต่ในสายตาของผู้ไม่รู้ก็คิดว่าเป็นความเจริญของศาสนาโอ้เดี๋ยวนี้เมืองไทยมีวัดสวยๆงามๆเยอะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เยอะๆไปที่ไหนก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แสดงว่ากําลังเจริญแต่เจริญที่เปลือกแต่ไม่ได้เจริญที่เนื้อ หาพระอาริยบุคคลไม่เจอเลยเลองไปหาพระอาริยบุคคลมาสักคนดิไปลองไปหาดูอยู่ที่ไหนบ้างไม่มีมีแต่น้อยมากอันนี้ก็เพราะว่า ศาสนาเริ่มเสื่อมลงแล้วด้วยความหลงของพุทธศาสนิาชนนี่เองแทนที่จะมาสร้างเนื้อกันกลับไปสร้างเปลือกกันถ้าอยากจะให้มีเนื้อต้องมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมกันแล้วเดี๋ยวก็จะมีผู้บรรลุธรรมกันเมื่อบรรลุแล้วทีนี้ก็จะมีเนื้อของศาสนาให้กินกันให้ความสุขกับผู้ที่มาสัมผัส ต, ต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถ า, าวะในวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกบปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเเมวะสมิจชะตต สัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปันาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควิณัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวา อภิวาทนาสีิตสะนิจังุทธาปจายโนจตารโธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังพาล่าวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ถาไม่รีบร้อนเะน่ะตามสบาย วันนี้ทาง Facebook เข้ามา401 YouTube 292วิทยุออนไลน์29รับฟังข้างบนนี้45รวมทั้งหมด767ครับอ่าเดี่ยเยอะนะ YouTube กับ Facebook นี่ Facebook ขึ้นถึง400วันนี้ u t u b e ก็เกือบ300แนละ้ว เ็น้อยกว่าครับโอเคคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับมีคนชอบว่าดูถูกดูแคลนคนอื่นผมก็คอยเตือนอยู่เสมอหนักเข้าแกก็บอกว่าคนเหมือนกันจะกลัวอะไร ผมก็บอกว่าจริงอยู่ว่าคนเหมือนกันแต่เหมือนแค่กายแต่จิตใจต่างกันเขาอาจจะเป็นอริยบุคคลก็ได้พอพูดแบบนี้แกก็โกรธผมเลยถอยออกห่างเลิกคบไม่คุยด้วยถูกไหมครับเพราะผมเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอาเสวนาจะพาลานังนั่นแหละถอกแล้วคนโงอ่อย่าไปคบให้เสียเวลาคนโง่ก็จะชวนให้เราโง่มากกว่าชวนให้เราฉลาด ครบแล้วจะขาดทุนคำถามต่อไปจากคุณการคำว่ากรรมเป็นของเผ่าพันธุ์ผมเข้าใจว่าถ้าครอบครัวไหนมีทรัพย์สมบัติมีความสุขลูกหลานในครอบครัวนั้นก็จะมีทรัพย์สมบัติมีความสุขต่อๆไปด้วยตรงกันข้ามถ้าครอบครัวไหนไม่มีสมบัติอยู่ด้วยความแหลงแค้น อยู่ไม่สุขสบายลูกหลานในครอบครัวนั้นก็จะไม่มีความสุขไม่มีความเจริญไปด้วยความเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับถ้ามองทางร่างกายก็ถูกต้องถ้ามีทรัพย์ร่างกายก็สบายสุขแต่ถ้ามองมองทางจิตใจนี่ไม่ถูกเพราะความสุขความทุกข์ของจิตใจไม่ได้อยู่ที่ ท, ทรัพย์ผลบัติเข้าของเงินทองอยู่ที่บุญบรารมีต่าง ดังนั้นทา ง, งกฎแห่งกรรมนี่เราพูดถึงจิตใจไม่ได้พูดถึงร่างกายจิตใจมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คาว่าเผ่าพันุ์ก็คือมีเผ่าดีเผ่าชั่วนั่นเองพวกทําบาป ก, ก็มีเผ่าชั่วเป็นเผ่าพัน์พวกมีพวกเป็นพวกชั่วด้วยกันทําบาปมันก็จะมีเป็นเผ่าพันธุ์เป็นคนชั่วไปทําดีก็จะเป็นเผ่าพันุ์ดีคนดีไป อันนี้ที่จิตใจเราไม่ได้ดูที่ร่างกายร่างกายนี้ก็ต้องอาศัยทรัพสมบัติเข้าของเงินทองจะสุขจะสบายหรือทุกข์ยากลาบากก็อยู่ที่ว่ามีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองหรือไม่แต่ไม่ได้ไปทำให้จิตใจสุขตามร่างกายเสมอไปบางทีอาจจะทำให้ร่างกายจิตใจทุกข์มากกว่าร่างกายก็มีค yeah. ำถามต่อไปจากคุณศักดิ์สิทธ ผมภาวนาแล้วเกิดอาการของจิตเวลาไปไหนมาไหนตามองไปทั้งที่ตนเองผู้อื่นทั้งหญิงชายเด็กและคนแก่ปรากฏเป็นภาพโครงกระดูกซ้อนอยู่ที่คนนั้นนั้นที่สายตามองไปกระทบสักครู่หนึ่งก็หายไปผมควรปฏิบัติอย่างไรให้การภาวนาก้าวหน้าต่อไปครับ ก็พยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆการเห็นโครงกระดูกนี่ดีเพราะต่อไปถ้าเราต้องการกำจัดความอยากในร่างกายของคนนั้นคนนี้พอเราเห็นโครงกระดูกของเขาเราก็จะได้ไม่อยากได้เขามาเป็นแฟนแต่ถ้าเราไม่เห็นโครงกระดูกเห็นแต่หน้าตาก็คิดถึงเขาแล้วอยากได้เขามาเป็นแฟนพอไม่ได้ก็จะทุกข์พอต้องอยู่คนเดียวก็จะเหงา แต่ถ้าเราตัดความอยากมีแฟนได้ด้วยการเห็นโครงกระดูกของแฟนต่อไปเราก็อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาสบายค่ะคำถามต่อไปจากคุณนัทวิทย์ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยากจะขอสัมภาษณ์พระอาจารย์รวมทั้งพระอาจารย์ชาวต่างชาติด้วยครับไม่ทราบว่าพระอาจารย์สะดวกสัมภาษณ์วันไหนครับ ผมว่าจะไปเสาร์อาทิตย์ที่ 16-17 ครับก็สำนักตอนนี้แหละเราไม่สะดวกเวลาอื่นนะก็ช่วง3โมงถึง4โมงเนี่ยเป็นเวลาที่ถามตอบปัญหาใครอยากจะถามอะไรก็มาถามในช่วง 3-4 โมงเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณวิมลศิริ ตอนมีความคิดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้ตั้งใจทำตามที่บอกแล้วค่ะว่าให้หยุดคิดมีสติอย่าพูดออกมาแต่รู้สึกว่าเวลาเจอมันเหมือนพูดคำหยาบในใจต้องทำอย่างไรคะตอนแรกก็ดีแล้วค่ะแต่พอมีหลุดไปครั้งหนึ่งก็จะมีครั้งอื่นตามมาอีกค่ะก็หยุดมันเสียทุกครั้งมันโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันใช้พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดมันก็ไม่คิดนะ เมืนรถนียถ้ารดมันวิ่งเราเหยียบเบรกมันก็หยุดแต่พอเราปล่อยเบรกมันก็วิ่งถ้าเราอยากให้มันหยุดเราก็ต้องคอยเหยียบเบรกเวลามันที่มันจะวิ่งเท่านั้นเองเวลาจิตจะคิดไปในทางที่ไม่ดีก็หยุดมันพุทโธพุทโธไปพอมันไม่คิดเราก็หยุดพุทโธไปพอมันคิดใหม่ก็พุทโธใหม่เท่านั้นเองต่อไปมันก็จะหยุดคำถามต่อไปจากคุณหวังการรำบูชาพระ เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นการกระทาที่ควรปฏิบัติหรือไม่คะอ๋อมันก็เรียกว่าเป็นอาบิสบูชาเป็นการบูชาแบบผิวเผินไม่ได้เนื้อได้หนังได้แต่เปลือกได้แต่ความเคารพว่าเราบูยเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ลบหลู่แต่เรายังไม่ได้ปฏิบัติ ต, ตามคำสั่งคำสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่ได้ผลที่จะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น เช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถึงจะได้รับสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มอบให้กับเราถ้าเราเพียงแต่ลำแต่ว่ายแต่กราบเราจะยังไม่ได้ผลที่ท่านต้องการให้เราได้รับกันคำถามต่อไปจากคุณสวรร การเดินปัญญาคือการนําสิ่งที่เกิดขึ้นมาพิจารณาตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะความคิดและการกระทําของตนเองใช่หรือไม่เจ้าคะก็มีหลายอย่างปัญญานี้มันครอบทั้งการกระทําทั้งความคิดทั้งเหตุการณ์ทั้งสิ่งที่เราไปประสบรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีถ้ามองเห็นความเป็นจริงของมันก็เรียกว่าปัญญา ความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้ก็คือไตรลักษณ์นี่เองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้หยุดความอยากที่จะไปยุ่งไปมีอะไรกับสิ่งต่างๆได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นทุกวันนี้ที่เราทุกข์ก็ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราไปอยากได้มานั้นเอง พอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์ได้แฟนมาก็ต้องทุกข์กับแฟนได้ลูกมาก็ต้องทุกข์กับลูกได้เงินทองมาก็ต้องทุกข์กับเงินทองคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามพระโสดาบันไปเกิดในชั้นไหนครับชั้นการมมาพบพบของเทวดาหรือพบของมนุษย์เนี่ย จะยจะไม่ไปเกิดในอบายไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอนุสุลกายไบโนรกคำถามจากผู้ฝากถามโดนคนอื่นว่าร้ายเพื่อนร่วมงานนินทาเราควรทำตัวแบบไหนดีครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นคำสัรลเสร่อเรื่องนินทา เ, ออเป็นเหมือนดินฟ้าการ เมื่อมันเกิดในโลกนี้แล้วจะหนีดินฟ้าอากาศไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันได้เราเฉยๆไปอย่าไปอยากให้มันไม่เกิดเพราะมันเป็นไปไม่ได้อย่าไปอยากให้ดินฟ้าอากาศไม่เปลี่ยนแปลงไม่อยาไปอยากให้ฝนไม่ตกแดนไม่ออกไม่ได้ฉันใดอย่าไปอยากให้คนนินทาไม่ได้อย่าไปอยากให้คนไม่นินทาไม่ได้ หรืออยากไปอยากให้คนสรรเสริญเพราะมันไม่แน่นอนบางทีก็มีคนสรรเสริญบางทีก็มีคนนินทามันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะไปควบคุมบังคับได้คำถามจากคุณสุนันมีสองคำถามครับคำถามที่หนึ่งเงินหนึ่งพบาทที่เรานำไปซื้อของใส่บาทกับการนาไปทาบุญสร้างวัดหรือนาไปบริจาคช่วยเหลือคนพิการจะได้บุญเท่ากันหรือไม่เจ้าคะ ในความรู้สึกก็มันก็เท่ากันเพราะเราได้เสียสละเงินก้อนเดียวกันคือความเสียสละจะทำให้เรารู้สึกมีความภูมิใจสุขใจอิ่มใจต่อการเสียสละเงินก้อนนั้นไปแต่ประโยชน์ที่จะได้เกิดขึ้นจากเงินก้อนนั้นมันก็ต่างกันไปแล้วแต่ว่าผู้รับจะไปใช้ทาอะไรคำถามที่สอง อา น, นิสงส์งจากการสวดมนต์บทต่างๆนอกจากได้สมาธิแล้วยังได้อา น, นิสงส์งอื่นอีกไหมคะทั้งๆที่เราสวดแต่ไม่รู้คาแปลหรือความหมายก็ได้เพียงแต่สติคือจิตจะได้ไม่ไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตใจจดจ่ออยู่การสวดก็จะได้ความสงบได้สมาธิในระดับต้นๆ แต่จะไม่ได้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจจากบทสวดมนต์เพราะไม่มีเขาไม่เข้าใจความหมายต้องไปสวดบทแปลถึงจะได้ปัญญาคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเวลาที่ลูกโกรธมักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ชอบด่าว่าบุปผการีถึงแม้เราจะพยายามชี้ให้เขาเห็นถึงบาปบุญคุณโทษ ของการสร้างกรรมต่อพ่อแม่ก็ตามเราควรจะทำอย่างไรดีคะกลัวลูกจะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีคะ่ะเราไม่มีสติขอยับยั้งอารมณ์เ่เราต้องมาฝึกสติสติเหมือนเบรกของรถยนต์รถยนต์ถ้าไม่มีเบรกรถยนต์ก็ต้องวิ่งไปชนกับรถคันอื่นฉัน้นใดถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเกิดอารมณ์กับคนนั้นคนนี้เลยฉะนั้นทงที่ดีก็ควรมาฝึกติดสติกันสร้างสติกัน มันพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆอ ย, อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดหยุดมันดีกว่าหยุดด้วยพุโทโธพุธโทโธให้มันคิดแต่เฉพาะเรื่องที่ต้องการคิดเรื่องที่ไม่ต้องการคิดหรือเรื่องที่ไม่ดีก็อย่าให้มันคิดด้วยการใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหยุดไปคำถามต่อไปจากคุณชรินทิพย์ บุญใหญ่คือการถวายสังฆทานหรือเจ้าคะอย่างการไปใส่บาตรทุกวันก็ไม่เท่าบุญสังฆทานหนึ่งครั้งคือบุญมันมีหลายระดับหลายแบบหลายรูปด้วยกันเหรอเฉะนมันใหญ่ก็มีเล็กก็มีมันมีหลายแบบด้วยกันถ้าอธิบายตอนนี้มันอธิบายไม่หมดเดี๋ยวพูดอธิบายเรื่องนี้เดี๋ยวไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นก็มาบ่นอีกว่าทําไมไม่ได้อธิบายเรื่องนั้น ฉันคกดไปศึกษาดูเอาเองก็ร้องขันมันมีใหญ่มีเล็กมีน้อยคำถามต่อไปจากคุณเคสการอาบน้ําอุ่นถือเป็นกิเลสไหมเจ้าคะถือว่ายังเป็นการเสพทางโพธพภะหรือเปล่าเจ้าคะ่ะถ้าอาบด้วยความอยากเพื่อความสบายเพื่อความสุขก็ทางร่างกายก็เรียกว่าเป็นกิเลส แต่ถ้าอาพอป้องกัน ร, รักษาไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็นเช่นถ้าไปอยู่ในประเทศที่หนาวนี่น้ำของเขาจะเย็นมากถ้าไม่อาบน้ำอุ่นนี้มันจะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็จำเป็นจะต้องอาบน้ำอุ่นแต่ถ้าอยู่เมืองร้อนอย่างประเทศเหล่านี้มันร้อนจะตายอยู่แล้วอย่างไปอาบน้ำอุ่นนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสมากกว่าไม่มีเหตุผลในทาง อัจฉรียะร่างกายคำถามต่อไปจากคุณอุย๋ยการดูดวงจะบาปหรือผิดศีลแปดไหมเจ้าคะควรดูหรือไม่ควรดูอ๋อมันไม่ผิดมันมันไม่ได้เป็นคำสอนของพระเจ้าเน่ะมันเป็นสิ่งที่งมงายพระเจ้าไม่ให้ไปสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะมันจะทาให้เราหลงเดินผิดทางได้ ให้เรามาดูกรรมดีกว่าถ้าจะดูอะไรให้ดูกรรมของเรานี่แหละ ว, ว่าวันนี้เราทําบุญเท่าไหร่ทําบาปเท่าไหร่อตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงส่วนดูดวงดูดาวนี่เป็นเรื่องของหมอดูหมอเดาวผิดผิดถูกถู ก, ถกแล้วแต่นไม่ได้เป็นตัว ที่ตรงกับความจริงเสมอไปอาจจะฟุกไปตรงกับความจริงก็ได้บ้างทีก็ไม่ตรงกับความจริงคำถามต่อไปจากคุณกำพลถ้าเราถือศีลห้าหรือศีลแปดต้องท่องบทสวดมนต์ทุกครั้งไหมครับหรือเราทำในใจก็ได้ครับการท่ทองบทสวดมนต์นี้มันจะช่วยทำให้เรามีสติทำให้เราจิตใจสบายสงบ ไม่เกี่ยวกับการถือศีลห้าหรือถือศีลแปดแต่อย่างใดคนละเรื่องกันหมดแล้วเลย เ, ออ เ, ออเดี๋ยวพักสักสองสามนาทีถ้าไม่มีเข้ามาก็จะได้ปิดประชุมเพราะคนกลับหมดแล้วนี่วันนี้คนหายหมดเลยเอะแอดมินอยู่เปล่าอยู่ข้างล่างเปล่าออไม่เห็นนะ <laughs> <laughs> คิดว่าแอดมินไปด้วยฮะ <laughs> มีแล้วออมีสองท่านก็ไม่เป็นไรก็เราจะได้พักผ่อนกันบ้างไม่ไม่ไม่ดันแต่ถ้ามีใครถามก็ตอบครับคำถามจากคุณจารุรนผมเห็นแม่สุนักและลูกสุนักมันอยู่ในป่าหน้าบ้านข้างถนน ม, มันไม่คุ้นและวิ่งหนีผมกลัวรถจะชนมันอยากจะช่วยแต่ช่วยยากครับ ผมควรทำอย่างไรครับก็ทำแบบไม่เห็นซิถ้าคุณไม่เห็นมันคุณอยากจะช่วยมันหรือเปล่าแล้วห ม, มาตัวอื่นที่คุณไม่เห็นที่มันอาจจะลําบากกว่านี้คุณไม่เห็นคุณทำยังไงคุณก็เฉยใช่ไหมฉะนั้นคุณเห็นก็ทำเป็นเหมือนกับไม่เห็นก็หมดเรื่องถ้าคุณทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าทำอะไรได้ก็ทำไปเถิดไม่นายห้ามแต่เมื่อเราเห็นแล้วเราทำอะไรไม่ได้ก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นซิก็หมดเรื่อง ใช่ไหมตอนนี้มีคนอยากจะฆ่าตัวตายเราไม่เห็นเราเราก็ทําอะไรไม่ได้เขาปล่อยเขาฆ่าตัวตายไปถึงแม้เราเห็นเราไปห้ามเขาไม่ได้มันก็เหมือนกันถ้าเขาอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะกระโดดตึกตายตอนนี้เราไปพูดไปบอกอะไรเขาเขาไม่ยอมก็อยากจะกระโดดอย่างเนี้เราเลยให้เราทํำยังไงอก็ทําทเป็นเหมือนไม่เห็นก็แล้วกันใช่ไหมเวลาเราไม่เห็นเราไม่เดือดร้อนใช่ไหม พอเห็นแล้เดือดร้อนขึ้นมาเพราะเรายังทําใจไม่ได้เห็นอะไรถ้าคิดว่าทําอะไรได้เป็นประโยชน์ก็ทําไปถ้าทําอะไรไม่ได้ก็สักแต่ว่าเห็นไปหรือทาเป็นไม่เห็นไปเหมือนกับไม่เห็นไปอย่างตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยมีเหตุการณ์อะไรหวาดเสียวหวาดกลัว ทุรไลแรงขนาดไหนที่เรามองไม่เห็นเยอะแยะไปใชมมีการทารุณกรรมกันการต่างๆมีการฆาตกรรมกันต่างๆมีคนตายในรูปทุกรูปแบบตามโรงพยาบาลตามบ้านตามมีการเผาศพมีการฝังศพอยู่ตลอดเวลาทำไมเราไม่ไปตื่นเต้นกับมันเพราะเราไม่เห็นมันใช่ไหมแล้วถ้าเราเห็นมันแล้วเราไปทำอะไรได้เปล่าก็าทาอะไรไม่ได้ ก็ทำให้มันเหมือนกับไม่เห็นเหมือนกันแล้วกันเมื่อเราเห็นสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้มันก็เหมือนกับไม่ได้เห็นเหมือนนั่นเองคำถามต่อไปจากคุณ <c oughs> โสพิษ <c oughs> สวดมนต์นิดเดียวแต่มุ่งภาวนาเลยจะได้ไหมคะได้ไม่สวดเลยก็ได้เริ่มต้นก็ภาวนาเลยนั่งดูลมไปเลยหลับตาพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณสุนัน จริงหรือไม่คะที่เขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่ทำบุญเกิดชาติหน้าจะเรียนหนังสือเก่งแต่ยากจนก็เหมือนกับปลูกต้นไม้แ่ะถ้าถ้าปลูกส้มอย่างเดียวไม่ปลูกกล้วยมันก็ได้ส้มอย่างเดียวแต่อยากได้ทั้งส้มได้ทั้งกล้วยก็ต้องปลูกทั้งสองอย่างเพราะการทำบุญแต่ละอย่างมันให้ผลต่างกันนั่นเอง การทำบุญทำทานก็จะทำให้เรามีเงินมีทองกลับมาหาเราการภาวนาก็ทำให้จิตใจเราสงบมีสติมีสมาธิเรียนหนังสือเก่งมันก็แล้วแต่เราต้องการอะไรเราก็ต้องทำเราก็ต้องทำสิ่งนั้นถึงมีบารมีสิบประการให้เราเลือกเนี่ยเป็นเมนูความจริงต้องเอาทุกอย่างเมนูของพุทธศาสนาเลือกไม่ได้ต้องเอาทุกอย่าง แต่อาจจะทำจากง่ายขึ้นไปหายากก่อนเอาเมตาก่อนแล้วก็เอาทานก่อนเอาศีลก่อนเมตตาไปง่ายจะตายไปเห็นหน้ากันก็ยิ้มให้กันก็เมตตาแล้วใช่ไม้มทักทายกันสบายดีหรือเปล่าใครทำให้เรากดก็ให้อภยัยเขาไปแน่ๆไม่ต้องเสียอะไรเลย <c oughs> ทานจะยากกว่าเพราะทานจะต้องฟักกระเป๋า <c oughs> ต้องเสียสละข้าวของที่เรารักเราชอบไป <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณรวิวรรณถ้าเราเคยคิดไม่ดีกับพ่อแม่ของเราจะขอขอมาแล้วจะลดโทษได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกการขอขอมาเพียงแต่เป็นการเหมือนกับเป็นกา ร, รลงโทษตัวเองหรือว่าเป็นการประนามตัวเองว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดียอมรับผิดแล้วจะเปลี่ยนจะไม่ทําอีกต่อไป โทษเก่านี้ลดไม่ได้แต่จะไม่เพิ่มโทษใหม่ขึ้นมาเพราะเราจะไม่ทําอีกต่อไป <c oughs> คําถามต่อไปจากคุณลิตาพระโสดาบันคืออย่างมากไม่มีชาติแปดคำว่าชาติในที่นี้คือเป็นมนุษย์หรือเปล่าคะก็ <c oughs> ไม่แน่ใจอาจจะเป็นทั้งมนุษย์หรือเทวดาก็ได้อันนี้ท่านไม่ได้แจง้งแต่เป็นเจ็ดชาติในกามภพกามภพก็มี เทวดากับมนุษย์นี่เพราะว่าท่านไม่ไปอบายแน่นอนกามาพบนี้มีเทวดามีมนุษย์แล้วก็มีอบายผู้ที่เป็นบรรลุสวรรคบายก็จะเกิดกับมาเกิดในการมาพบไม่เกินเจ็ดชาติเช่นพระมารดาคุณท้ า, าก็เป็นบรรลุทาได้ในขั้นเป็นเทวดาได้งั้นเป็นเทวดาก็น่าจะปฏิบัติทาต่อไปได้น คำถามต่อไปจากคุณสุมลการที่เราไม่สบายบ่อยเป็นเพราะกรรมเก่าไหมครับก็ศีลไม่รักษาศีลชอบเบียดเบียนผู้อื่นมันก็เลยกลับมากระทบต่อร่างกายของเราชอบไปทำให้ร่างกายคนอื่นเขาเจ็บปวดด้วยวิธีต่างๆไปทรมานเข้าไปทุบไปตีเข้าไปอะไรเขาอย่างนี้มันก็จะกลับมาหาเราในรูปแบบของสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง คำถามต่อไปจากคุณสมศักดิ์ผมนั่งสมาธิไม่รู้สึกว่ามีตัวตนไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจหูดับเห็นเป็นสีขาวสว่างแบบนี้เรียกว่าอะไรครับแล้วผมจะไปต่ออย่างไรถ้ามันนิ่งมันสงบมันเฉยๆก็ไม่ต้องไปต่อให้มันอยู่ตรงนั้นไปนานๆ ถ้ามันยังคิดอยู่ยังก็ยังต้องหยุดความคิดให้ย่าให้มันคิดให้มันรู้เฉยๆให้มันนิ่งให้มันพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงให้ได้ถ้ายังไม่ได้พบกับความสุขก็ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องทําต่อไปให้มีสติรู้ต่อไปอย่าให้คิดหยุดความคิดไปเรื่อยๆคำถามต่อไปจากคุณนัทวุฒ เวลาเดินทุดงกลางป่ากลางทุ่งนาเราไม่ครองจีวรสวมแต่อังสะเดินทางจะผิดพระวินัยไหมครับถ้าอยู่ในที่ที่ รับหูรับตาคนก็ไม่เป็นปัญหาเลยพระอยู่ในวัดบางทีท่านก็ไม่ได้นุ่งสายจีวรแต่ยังได้แต่ถ้าเราเข้าเราแวกบ้านเข้าในที่ที่สาธารณะที่มีคนเห็นเราก็กวรที่จะแต่งกายให้เรียบร้อยเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องมรารยาทเหมือนกับเราเวลาออกนอกบ้านเราก็แต่งตัวแบบหนึ่ง mm hmm. เพราะเราไปที่ที่เขา ต, ต้องให้ใส่ล้ว แต่ถ้าเราไปที่ชายหาดเขาก็ไม่ว่าเลยถ้าเราจะถอดเสื้อถอดกางเกงเอ่อหรือกางเกงลิงตัวเดียวเขาก็ไม่ว่าเลยชายหาดบางแห่งเขาให้แก้ผ้าเลยก็มี เนันก็ต้องดูที่การลาะเทศะดูที่สถานที่ว่าเขาให้ทำอะไรอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นไปถ้าไปอยู่กับพวกลิงพวกข้างมันก็ไม่ว่าเราหรอกถ้าไปอยู่ในป่านี่ไม่มีคนไม่มีมนุษย์มีแต่ลิงเราจะแก้ผ้าเดินไปไหนมาไหนก็ได้เพราะมันก็เป็นเหมือนพวกเดียวกันเนี่ยพวกลิงมันก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่เหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณชัยาสิต เราจะทํายังไงให้ใจยอมรับความจริงจากไตรรักครับก็ต้องหยุดความไม่จริงเวลามันคิดไปในทางความไม่จริงก็ต้องหยุดมันก่อนพุทโธพุทโธหยุดมันพอให้มันหยุดคิดไปในทางที่ไม่ตรงกับความจริงแล้วก็ป้อนความจริงให้มันไปเรื่อยๆสอนมันให้สอนมันอยู่ได้เรื่อยว่าเป็นไตรลักนะไม่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรานะถ้ามันจะไปคิดว่าเป็นเที่ยงเป็นของเราเราก็ต้องหยุดมันอย่าไปทําตามมัน คำถามต่อไปจากคุณแจ็คต้องนั่งสมาธิพิจารณาอย่างไงครับให้เห็นคนทั่วไปในชีวิตประจำวันเป็นโครงกระดูกครับอ๋อก็ต้องเพ่งดูโครงกระดูกนั่งหลับตาแล้วก็นึกถึงโครงกระดูกะเหมือนกัเรานึกถึงเงินนะเงินนี่เราพ น, นึกปั๊บก็เห็นปุ๊บเลยนะตอนนี้ยอดมีเท่าไหร่ในธนาคารนี่รู้เลยในชะ่ไหมอ่งแบบนั้นนะต้องคิดถึงมันบ่อยๆแนละมันก็จะเห็นขึ้นมาเอง ถ้าเราไม่นึกถึงยอดเงินอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็ลืมตอนนี้คูมีเงินอยู่เท่าไหร่อันนี้ก็เพียงแต่ให้นึกให้คิดอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาในใจคำถามต่อไปจากคุณพีโกททำอย่างไรให้สติเกิดขึ้นตลอดเวลาครับก็ต้องมันพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆอย่าอย่าให้ใจคิดเรื่องต่างๆให้อยู่กับพุทโธ ท, ทาอะไรก็ให้อยู่กับเรื่องที่ทำ คำถามต่อไปจากคุณสมคิดรบกวนพระอาจารย์ชี้แนะวิธีพิจารณาอารมณ์และจิตใจด้วยครับต้องมีสติก่อนก่อนถึงจะไปพิจารณาได้ต้องฝึกสติทำใจให้สงบเป็นสมาธิให้ได้ก่อนถึงจะสามารถเห็นอารมณ์แล้วควบคุมอารมณ์ได้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามขอคำแนะนำการละการเสพกรามกับภรรยาแบบเด็ดขาดครับ ก็ต้องหมั่นพิจารณาอาการสาสิบสองของภรรยาหมั่นพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามส่วนที่ไม่นไม่น่าปรารถนาของภรรยาเช่นเวลาภรรยาขับถ่ายเวลาที่ภรรยาไม่ได้อาบน้ำส่งกลิ่นเหม็นเวลาที่ภรรยาไม่แปรงฟันเวลาที่ภรรยาไม่ล้างหน้าล้างตาไม่หวีผ้าหวีผมต้องมองส่วนที่ไม่สวยงามแล้วต่อไปก็จะเบื่อ ควจริงถ้าอยู่ภรรยานี่บางทีไม่ต้องพิจารณาก็เบื่ออยู่แล้วเรเรื่องภรรยาไม่ค่อยมีปัญหาเป็นเรื่องของคนที่ไม่เป็นภรรยาจะมีปัญหามากกว่าคนที่ไปออกไปนอกบ้านแล้วเห็นเขาแต่งตัวเป็นเหมือนนางฟ้านี่พวกนี้น่าอันตรายกว่าแต่ภรรยานี่มันเห็นอยู่แล้วอยู่ในบ้านก็เห็นอยู่แล้วไม่ได้สวมใส่ไม่ได้ล้างหน้าล้างตาไม่ได้แปลงฟันไม่ได้อาบน้ำนี่ก็อยู่ใกล้ก็ได้กลิ่นตัวแล้ว คำถามต่อไปจากคุณเปาพระอระหันยังต้องนั่งสมาธิหรือไม่คะนั่งก็นั่งแบบพักผ่อนไม่ได้นั่งเพื่อรักษาจิตใจเหมือนเมื่อก่อนการปฏิบัติสมาธินี้เป็นสองแบบแบบปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสกับปฏิบัติเพื่อพักผ่อนจิตใจพระอรหันต์บางทีท่านก็ต้องการพักจิตใจเพราะบางทีใช้ความคิดมากเวลามาเทศทีนี่มันต้องใช้ความคิด แสดงทำมันก็เหนื่อยเหยก็อยากจะหยุดให้มันพักก็เข้าสมาธิคำถามต่อไปจากคุณอภิชาติถ้าผมต้องการบรรลุพระโสดาบันผมจะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอย่างไรดีครับผมก็ต้องมีมีมีทานมีศีลมีภาวนานั่นเองต้องปฏิบัติทานมีเงินข้าวของเงินทองก็ต้องไม่ยึดไม่ติดไม่หวงไม่เอาไปใช้ตามความอยากต่างๆ ไปทําบุญทําทานแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลหน้าแล้วก็ศีลแปดเพราะไม่มีศีลแปดก็จะไปนั่งสมาธิไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิก็ไปพิจารณาปัญญาเพื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ได้มันก็เลยต้องปฏิบัติตามขั้นไปทานศีลภาวนาไปคําถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์การภาวนาพุทโธพุทโธนี้ ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยใช่ไหมครับเข้าห้องน้ำห้องซ้วมก็าภาวนาได้ใช่ไหมครับถ้าไม่ส่งเสียงก็ได้ถ้าส่งเสียงออกมาก็ไม่ควรเพราะว่ามันอาจจะเป็นการลบหลู่ในสายตาของผู้อื่นก็ได้แต่ถ้ามันอยู่ในใจนี่ไม่มีใครรู้สามารถทาได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาหมดแล้วนะครับหมดแล้าก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา